ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุตษผู้หิวข้าวอยู่คนหนึ่งเป็นคนหิวเนี่ยนะไปถึงสถานที่เลี้ยงอาหารเป็นอาหารที่เขาทาบุญครั้งยิ่งใหญ่เป็นเป็นงานทําบุญที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สําคัญมากเขาเตรียมอาหารไว้เต็มไปหมดเลยแต่ล้วไปถึงเนี่ยอาหารก็เต็มอาหารก็ดีๆอร่อยๆทั้งนั้นเสร็จแล้วไปถึงก็ไม่ยอมบริโภคอาหารนั้น ยังหิวอยู่นั่นเทียวก็ถอยกลับไปเสียหมายถาว่าเหตุผลที่ไม่ยอมกินเช่นอาจจะ เ, เดินสะุดขาแข่งคนนั้นคนนี้นะเดินไปเตะหม้อเตะหายเป็นต้นนะในที่สุดก็ไม่ยอมทานอาหารเนี่ยคนที่เข้ามาบวชบางทีก็เหมือนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นนหะที่ศึกหาราเพืเรื่องไม่เป็นเรื่องสาระไม่ใช่สาระไม่ใช่เพื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีน้อยใจเรื่องนิดเดียวเลยสึกเลยอย่างเนี้น นะพระบางองค์เป็นลักษณะนั้นทั้งๆ ท, ที่ยังหิวนั่นแหละยังไม่สำเร็จผลอะไรในพระศาสนาเสร็จแล้วก็เวียนกลับมาเป็นคนเลวบุรุษเป็นกลายเป็นคนที่หิวข้าวไม่ยอมไม่ยอมกินในบุรุษคนผู้หิวข้าวและในอาหารที่เขาเอาไว้เลี้ยงสำหรับเป็นงานบุญเนี่ยนะแต่ว่ากินฟรีว่างั้นเถอะ ผู้คนติเตียนอะไรเล่าติเตียนบุรุษผู้หิวอยู่หรือว่าติเตียนอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงกันในงานบุญนนะเนี่ยนะตําหนือาหารหรือว่าตําหนือะไรดนนะีพระเจ้าเมลินก็ตอบว่าพระคุณเจ้าผู้คนเพ่งติเตียนบุรุษผู้หิวอยู่นั้นว่าผู้นี้ถูกความหิวบีบคั้นอยู่ได้อาหารบุญแล้วก็ยังไม่ยอมบริโภคยังหิวอยู่นั่นเที่ยวเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเสีย ของกินจักเข้าปากบุรุษผู้ไม่ยอมบริโภคคนนี้เองได้กระไรเล่าเคยเห็นอาหารมันวิ่งมาเข้าปา ก, ไ, ากไหมอย่างนั้นวิ่งมาเข้าปากเสร็จแล้วมันก็เคี้ยวให้เสร็จแล้วก็ไลเข้าไปในลําคอหล่อเลี้ยงสรีระบุคคลทั้งหลายมีไหมมีแต่ว่าบุคคล น, นั้นเนี่ยต้องพยายามหรือไม่อย่างน้อยก็คนอื่นต้องป้อนให้ใส่สายยางให้อะไรให้นะจึงจะได้รับอาหารเหล่านั้นเมื่อไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยอมรับอาหารตัดอาหาร คล้ายๆกับว่าบางคนนี่เขาเอาอาหารมาให้ก็คว่ำอาหารทิ้งเสียเป็นตนน้นเะนี่ยนะเขาเอาศีลมาให้ก็คว่ำศีลทิ้งเสียเอาสมาธิเอาสมถธาวิปัสสนาแค่ง่ายเอาพระตรปิฎกมาก็คว่ำทิ้งเสียทิ้งตรงไหน ก, ก็ไม่ยอมอ่านไงไม่จะต่างอะไรจากเอาไปทิ้ง น, นะนะผลอย่างที่เรียกว่าเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นไปให้ถ้าหาว่าเอาไปใส่ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นตน้นแล้วถามว่าไม่ได้เป็นความผิดของพระรัตนะไตรเลยเนียนะ ก็เหมือนกับคนที่ทั้งๆที่ตัวเองเนี่หิวหิวด้วยอำนาจราคะโทสะและโมหะหิวอยู่ด้วยอำนาจบาปอากุศลแต่ไม่ยอมบริโภคเสกขาของาศาสนาที่แนะนําเอาไว้ไม่ใช่เป็นความผิดของาศาสนาเหมือนกับคนที่ไม่ยอมทานอาหารนี่แหละไม่ใช่ความผิดฉะนั้นซึ่งพระนาคเกษตอบย้าว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระตถาคตทรงวางของกินคือกายคตาสติ นะสติที่พิจารณากายทั้งสิบสี่พะอันประเสริฐเนี่ยนะตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องต้นจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นอ่านะถ้าใช้คำว่ากายคตาสติเนี่ยนะก็เท่ากับเวทนาคตาสติจิตตะคตาสติแล้วก็ธรรมคตาสติถ้ากล่าวสติปทาสติทั้งสี่อย่างนี้ก็ชื่อว่ากล่าวสัมมประธานอิทิบาทอินสีภพล ะ, ระโพธชงและ องมักทั้งหลายเมื่อพระองค์เนี่ยวางของกินคือโพธิปัจญาธรรมอันประเสริฐยอดเยี่ยมสงบกเกษมประณีตเป็นธรรมที่ดับความตายดับชราและมรณะอย่างนี้เนี่ยนะมีรสอร่อยอย่างยิ่งเอาไว้ในสำรับคือพระศาสนาสำรับของพระพุทธเจ้าคือพระตรัยปิฎกคือคําสอนของพระองค์เนี่ยนะด้วยพระองค์ดําริว่าบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ถูกความหิวคือ ความหิวด้วยราคะเป็นต้นเนี่ยแผดเผาผู้ถูกตันหาครอบงําจิตแต่จักเป็นผู้รู้ผู้ศึกษามีความตั้งใจบุคคลเหล่านั้นบริโภคของกินนี้แล้วจักขจัดตันหาทั้งปวงในการมมาพบรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะถ้าหากว่าบริโภคของคาน อ่นนะครัว่าอิ่มอิ่มด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอินทรีย์พระโพชฌงองค์มรด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมรักกาธาคา ม, มีมรักอนาคา ม, มีมรักและอรหัตตมรักเขาจะหายหิวเลยด้วยอํานาจอนาคา ม, มีมรักหายหิวในกามะพบด้วยอํานาจอรหัตตมรักเนี่ยนะหายหิวในวัฏะทั้งพวงด้วยอํานาจโสดาปฏิมรักเนี่ยหายหิวในในนรกเปรตอสุรกายและ เดรัชานพระองค์ก็วางของรับประทานเนี่ยคือของกินชั้นดีคือสติประทาสีสัมมประทาสี่อิทธิบาทสี่แต่ไม่ยอมกินอะ่ะปัญหาว่าไม่อยากกินด้วยก็เลยตัดอาหารเป็นยุคใหม่นี่เรียกว่ายุคคนไข้ตัดอาหารกันนะยุคคนหิวตัดอาหารเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องการอาหารด้วยมันก็เลยเป็นยังไงก็หิวหิวหิวเสร็จแล้วยิ่งหิวก็ยิ่งไม่ยอมกินด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งหิวหนักหนักเสร็จแล้วก็บ่นว่าอดอยากเหลือเกินแล้วกินไหมบอกไม่เอาอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นยังไง เดนียวอดอยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบางคนที่ไม่ยอมบริโภคของกินนั้นของกินคือสติปัญญาหรือศิษยาของพระศาสดาน่ยนะเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวนี้ใส้ผู้คนจติเตียนผู้คนนั้นแหละว่าคนผู้นี้บวชในพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแลว้วยังไม่ทันได้ที่พึ่งในพระศาสนานั่นเลยก็เวียนกลับมาสู่เพศที่เลว พระศาสนาของพระชินวรวรรธเจ้าจะช่วยให้บุรุษผู้ไม่ยอมปฏิบัติผู้นี้ตรัสรู้เสียเองได้ไกลเล่าเนี่ยนะเขาจะอริยมรรตจะช่วยได้ยังไงพระศาสนาจะช่วยได้ยังไงคนที่ไม่รักศีลศีลจะรักบุคคลนั้นไหมคนที่ไม่รักสมถะสมถะจะรักบุคคลนั้นนั้นไหมไม่ถ้าไม่รักวิปัสนาวิปัสนาจะรักบุคคลนั้นไหมถ้าคนนั้นไม่รักสติปัฏฐานสติปัฏฐานจะรักเขาไหมถ้าเขาไม่ชอบสัมมาปทาน สัมมาประธานจะชอบเขาไหมก็ดูได้เลยว่าบุคคลนั้นจะเจริญหรือจะเสื่อมน่ะนะวิธีสังเกตเนี่ยไม่ยากชอบสติปัะญานไหมใจจิตใจเนี่ยนะชอบให้สติปัะญานเจริญไหมถ้าใจที่ชอบให้สติปัญทาเจริญขึ้นใจอั น, นั้นเจริญในพระศาสนา ใจเหล่าใดาที่ให้สัมมาประธานเจริญขึ้นใจเหล่านั้นเจริญในพระศาสนาใจเหล่าใดที่ให้อิทธิบาตเจริญขึ้น Istanbul, ใจเหล่านั้นเจริญในพระศาสนาใจเหล่าใดที่เจริญด้วยอินทรีย์ด้วยพระด้วยพุทธชงด้วยองค์มร์ใจเหล่านั้นเป็นไปที่เพื่อจะเจริญในพระศาสนาของพระาศาสดาที่บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยอาริยมร์อริยผลทั้งหลายนี้ถ้าหากว่าใจเหล่านั้นต่อต้านซะแล้วเนี่ยนะ ต่อต้านสิขาสามตั้งแต่ใจแล้วเนี่ยสิขาสามจะวิ่งเข้ามาสู่ใจของใครได้เล่าถ้าเขาไม่ชอบศีลศีลก็ไม่ชอบเขาถ้าเขาไม่ชอบอริยมรรคอริยมรรคก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันเนี่ยนะก็เหมือนอย่างยังว่าคนที่ปฏิเสธอาหารเนี่ยแม้แต่เกลียดอาหารแบบสุดๆเนี่ยเกินเข้าไปเชื่อไหมมันก็ไม่ยอมยอม่ยอยเหมือนกันนะสมมติถ้าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราเกลียดสุดๆไยนะกลืนเข้าไปเชื่อไหมลําไส้ไม่รับอาเจียนออกมาเลย แม้แต่ยังเหลือกลิ่นอันนั้นอยู่ก็ยังอาเจียนอยู่ถ้าเกลียดแบบชนิดแบบเกลียดเข้ากันกระดูกดำเลยนะเกลียเหมือนคนเกลียดยาง่ยนะมันอาเจียนจนหมดไอไอกลิ่นอันนั้นเนี่ยแหละมันยังเอาอีกครั้งหนึ่งเพราะร่างกายมันต่อต้านั่ะมันไม่ยอมรับนี่ขนาดร่างกายนะแล้วจิตใจล่ะถ้าจิตใจที่ไม่รับศีลศีลก็ไม่รับใจนั้นเหมือนกัน ถ้าใจเหล่าใดไม่รับสมาธิสมาธิก็ไม่รับเขาเหมือนกันใจเหล่าใดไม่รับสัมมาทิิสัมมาทิสิก็ไม่ยอมรับใจเหล่านั้นเหมือนกันใจเหล่าใดที่ไม่ไม่ยอมรับสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็เกิดในใจของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกันเมื่อใจไม่รับอริยมรรคแล้วมันไปรับอะไรก็รับวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเละสะการมเมื่อรับวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกรรมนั้นแล้วตัวเองก็เวียนกลับไปเป็นคนเลวทุศีลเป็นต้นตัณหิศีขาได้ไหม ก็ตําหนิไม่ได้ น, นะไม่ใช่สิคลาสามไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตําหนิคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บริบูรณ์ไปด้วยอธิศินอธิจิตอธิปัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าตําหนิเลยขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระตถาคตทรงอนุญาตให้เฉพาะเครหัส่าผู้สําเร็จอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน เท่านั้นแล้วจึงยอมอนุญาตให้บวชไซเชื่อว่าการบวชนี้ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่อการละกิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อการละราคะโทสะโมหะเลยเพราะอะไรเพราะมันสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วคําสอนเนี่ยสอนเพื่อกําจัดราคะนะสอนเพื่อกําจัดโทสะสอนเพื่อกําจัดโมหะถ้ากําจัดได้แล้วจําเป็นต้องมีคําสอนไหมไม่จําเป็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นคําสอนเพื่อต้องการกําจัดความเศร้ามองด้วยบาปและอกุศล เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ก็แสดงว่าตอนแรกไม่บริรสุทธิ์สิจึงมีคําสอนสอนเพื่อความบริสุทธิ์ถ้ามีความบริสุทธิ์แล้วจะสอนเพื่อให้บริสุทธิ์อีกทําไมสังเกตดูนะยาเนี่ยเป็นกิจที่ใช้กับคนไข้นะถ้าหายแล้วยอมกินอีกต่อไปไหมยอมแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจที่พึงทําด้วยการบวชก็ไม่มีถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์จากกิเลสอยู่แล้วเนี่ยนะต้องบวชอีกไหมไม่ต้องถ้าเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ย ต้องปฏิบัติในวิสุทธิ์ที่ทั้งหลายอยู่ไหมบอกไม่ต้องขอถ ว, วายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุุษคนหนึ่งให้เขาขุดสระน้ำไว้ด้วยการกระทำการขุดหลายร้อยครั้งแล้วก็บอกให้ได้ยินต่อๆกันไปในบริษัทอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยใครใครผู้เปลอะเปื้อนด้วยเหงื่อใครขออย่าลงสู่สระนี้เลยเนี่ยนะใครที่สกปรกเนี่ยนะแม้ขุดสระน้าใหญ่อย่างดีเลยนะ ผู้ที่ล้างขี้ฝุ่นเหงื่อครเนื้อตัวสะอาดขัดสีไร้มนทินออกแล้วจงย่างลงสู่สระน้ํานี้เท่านั้นเถิดทีเรียกว่สมัยก่อนเนี่ยมันต้องลงอาบน้ำจริงนะหมายว่าถ้าคนสกปรกห้ามลงอาบบ่อน้นํานี้เอาแต่คนสะอาดเท่านั้นที่มาอาบน้ําบ่อนี้นะบ่อใหญ่นะบ่อใหญ่แบบลักษณะอาบชุบตัวเนี่ยนะขอถวายพระพรสําหรับคนที่ล้างขี้ฝุ่นเหงื่อครเนื้อตัวสะอาดขัดสีมนทินความเศร้ามองออกไปแล้ว เหล่านั้นอ่ะพึงมีกิจที่เพึงทําอยู่ด้วยสระน้ําำนนั้นอยู่อีกหรือจําเป็นไหมอนนะคนสะอาดแล้วไม่เนี้ยไม่เน่ไม่นะสะอาดเรียกว่าเหมือนกับคนเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนี่ยจําเป็นต้องอาบน้ําซ้ําย้ําอีกครั้งไหมบอกไม่มีความจําเป็นเลยบอกไม่มีรอกพระคุณเจ้าบุคคลเหล่านั้นเข้าไปโสสระน้ํานั้นเพื่อประโยชน์ในการกระทํากิจอันใดถือว่าเพียงพอแล้วเว้นกิจที่พึงทํานั้นด้วยน้ํา ที่คนเหล่านั้นได้ทําเสียก่อนแล้วเท่านั้นไม่จําเป็นอีกเลยเนี่ยนะพันถือว่าประโยชน์อะไรด้วยสระน้ําสําหรับคนเหล่านั้นอีกเล่าเนี่ยนะนะนะก็ถามว่าที่พรหมโลกที่ชั้นสุดทาวาสเนี่ยพระองค์ไปสอนวินัยปิฎกอยู่ในนั้นไหมต้องไหมไม่ต้องเนี่ยนะนะไม่ต้องเชื่อไหมพระพิโุรุน่นแรกไม่มีพระวินัยเลยไม่ไม่มีวินัยบัญญัติเลยก็ถามว่าทําไมรั้วรอบขอบชิดเนี่ยกั้นไว้สําหรับใครนะ สำหรับคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะแหกรั้วนะเลยต้องสร้างรั้วขึ้นมาถ้าทุกคนมีสินห้าหมดเอางี้เลยกฎหมายแทบไม่ต้องใช้เลยตำรวจนี่ไม่รู้จําเป็นต้องมีหรือเปล่าเขาไม่ทราบเนยนะยุบอีกหลายกรมเลยเหมือนกันนะถ้าทุกคนมีสินดีเยี่ยมหมดเลยนะผู้ตรวราชการแผ่นดินอะไรก็ถูกยุบไปหมดแล้วนะรายเรื่องนี่ถูกยุบไปหมดแหละถ้าหากว่าทุกคนเป็นคนดีอนยะ่างนันเนี่ยชั้นใดก็ดีถ้าสิกขาสาถ้าทุกคนเนี่ยเป็นพระอรหันหมดแล้วเนี่ยนะ ต้องต้องมาสอนอะไรสิคขสามอีกไหมต้องมาสอนว่านี้ศีลเพื่อกาจัดโทสะนี้สมถาเพื่อกาจัดโลภานี้วิปัสสนาเพื่อกาจัดโมหะเป็นต้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันคนดีอยู่แล้วคนมีปัญญาอยู่แล้วไม่รู้จะสอนให้เจริญไปทำอะไรอีกเพราะฉะนั้นเหมือนกับสะน้าจำเป็นสำหรับคนที่สกปปกเท่านั้น ใช่ขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปไมาอก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลถ้าหากว่าพระตถาคตทรงอนุญาตเฉพาะครหอขัดผู้สําเร็จผลสักอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนเท่านั้นแล้วค่อยให้บวชใสเกจที่พึงทําในการบวชนั้นนนแัแหละคนเหล่านั้นก็ได้ทําแล้วก่อนบวชประโยชน์อะไรด้วยการบวชสําหรับคนเหล่านั้นอีกเล่าถ้าบรรลุแล้วก็ไม่รจะบวชทําไม ขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าหมอรักษาโรคผู้อันฤาษีชุบเลี้ยงมาผู้ทรงจำบทมนที่ได้สดับมาได้คงแกเรียนฉลาดในเหตุเกิดขึ้นแห่งโรคสำเร็จการงานอันมั่นคงปรุงยาที่ใช้รักษาโรคทั้งปวงได้แล้วเสร็จแล้วก็พอเป็นคนที่หมอเก่งที่สุดรักษาสารพัดโรคเนี่ยนะเก่งที่สุดรักษาโรคไหนก็หายเสร็จแล้วหมอคนนั้นก็มาบอก ประกาศข่าวให้ได้ยินกันต่อๆไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเ อ, อ๋ยใครๆที่มีความเจ็บป่วยอย่าได้เข้ามาในสำนักของเราเลยเนี่ยนะก็แบบโรงพยาบาลตั้งเสร็จใช่ไหมก็ติดป้ายเลยห้ามคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะนะแต่ถ้าเป็นหมอฟันบอกติดเลยคนเป็นโรคฟันฟันฟันผุฟันอะไรเป็นต้นห้ามเข้ามามาร้านหมอฟันเอาคนที่ฟันสวยๆฟันสะอาด ส, อา ด, สอาดฟันที่ไปขูดไปขัดไปเกลางามอย่างเดียวเข้ามาตรงนี้เถิดอนกัน ใครจะมาบ้างไหมดีมีประโยชน์ไหมยังเหมือนกันอ่ะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีโรคเนี่ยให้มาในสํานักของเราเถอะย่างไงขอถวายพระพรสาหรับคนผู้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคบริบูรณ์อยู่สบายใจอยู่เหล่านั้นพึงมีกิจที่ต้องทําด้วยหมอหรือหนอจําเป็นไหมว่างั้นบอกไม่จําเป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าคนป่วยนี่เหมาะที่อะไรนะมีความจําเป็นที่ต้องอาศัยหมอฉั้นใด สรุปว่าพระเจ้าเมลินก็เห็นด้วยบอกไม่มีหรอกพระคุณเจ้าคนเหล่านั้นเนี่ยนะจะเข้าไปหาหมอรักษาโรคเพื่อประโยชน์แต่กิจคือการรักษาโรคอันใดเนี่ยเว้นกิจที่พึงทำซึ่งคนเหล่านั้นได้ทําเสร็จแล้วหมายความว่ามันหายป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะคนมันไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่แล้วอะ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์อะไรด้วยหมอสําหรับบางคนเล่าเนี่ยนะสมมติถ้าเราตาเราดีเยี่ยมมองเห็นไส์หมดแล้วหมอตานี้จําเป็นกับเราไหมไม่ คนะอหูจมูกเยี่ยมหมดเลยเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยหมอสกลมนี่จะได้ผลไหมไม่เลยนะคือร่างกายถ้ามันดีหมดนี่จําเป็นจะต้องมีหมอนอีกไหมบอกไม่นี่แหละก็เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าพระตถาคตทรงอนุญาตครุหัตผู้สําเร็จในผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนเท่านั้นแล้วค่อยให้บวชได้สายกิจที่พึงทําในการบวชนั่นแหละคนเหล่านั้นก็ได้ทําแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์อะไรด้วยการบวชสําหรับคนเหล่านั้นอีกผู้ที่อย่างว่าการบวชก็คือบวชเพื่อทําศีขาให้บริบูรณ์พระโสดาบันเนี่ยคือผู้มีอธิศิลสิกีขาบริบูรณ์ไอ้บวชมารักษาศีลบวชมาทําไมเพราะคนมีศีขาศีสินและศีขาบริบูรณ์อยู่แล้วพระอนาคามีคือผู้ที่มีอธิจิตติกขาบริบูรณ์ถ้าเป็นพระอนาคามีอยู่แล้วต้องบวชมาประพฤติอธิจิตตศีขาอีกไหมถ้าอย่าง ปัญญาศิ kan ี่ผ้าหันรมบริบูรณ์ถ้าเป็นผ้าหันแล้วเนี่ยบวชก็คือครองเพศไปเท่านั้นเองเนนะเพราะจิตไม่ได้มีผลอะไรต่อจิตใจเลยเพราะท่านเข้าถึงอมะตะผลสำเร็จอมะตะผลแล้วนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายจึงไม่มีประโยชน์ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งจัดเตรียมโภชนาหารเป็นของสุก หลายร้อยถาดแล้วก็บอกกลาวว่าวให้ได้ยินต่อๆไปในบริษัทว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอยใครๆที่หิวขอจงองยาเข้าไปสู่สถานที่เลี้ยงอาหารนี้ของข้าพเจ้าเลยเนี่ยแต่งอาหารไว้เต้ไปหมดเลยนะคนหิวห้ามเข้าว่างั้นนะติดใต้เลยนะผู้ที่พอบริโภคดีแล้วอิ่มน้ําดีแล้วเพียงพอแล้วเออบิม่มเต็มที่แล้วขอจงเข้าไปสู่สถานที่เลี้ยงอาหารนี้เถิดเนี่ยนะเรียกว่าแต่งอาหารว่าอะไรนะอ่า จะโนร่าทำบุญเลี้ยงพระนะอันนี้มนุ์พระไปฉันที่อื่นให้อิ่มให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาฉันอาหารที่บ้านโยงอย่างเงี้ยนะนี่มันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเขามีเหมือนกันเขาเรื่องสมัยพุทธกาลเขามีพระก็มีอ่าเสตหอะอาเป็นข้าราชการผู้ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเขาเพิ่งหันมาเลื่อมไสในพระพุทธศาสนาเขาก็เลยอยากจะนิมนต์พระเนะี่ยพระพิสุไปฉันที่บ้านนะนะทีนี้เขาบอกว่าพระมีเท่าไหร่นิมนุ์หมดเลย คือคือนิมนต์หมดเพื่อไปฉันพระตาหารที่บ้านเสร็จ แ, แล้วพระเนรเนี่ยเอ๊สงสัยขึ้นมาว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยจริ ง, รงๆแล้วเขาเพิ่งเลื่อมสาใหม่ๆถ้าเขาเพิ่งเลื่อมสาใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยเชื่อเขาเลี้ยงอาหารไม่พอพระหรอกอันนะพระนี่เริ่มพ ร, พระแบบที่บวชทั่วๆไปนะทั่วไปก็เริ่มดูมินอ ย, อยังไงพระก็ไม่พอฉันอาง น, นี้ว่าพวกเรา เราไปเที่ยวบินทบาทชันให้ให้ประทังท้องไปก่อนนะคก็ไปชันที่นั้นอีกต่อเพราะว่าอาหารยังไงมันก็ไม่พอเนี่ยพอดูแล้วเพิ่งมีศรัทธาเนี่ยไปเชื่ออะไรได้แบบนั้นเสร็จแล้วก็พระก็ทําอย่างนั้นจริงๆก็ไปชั้นชันเรียกว่ารองท้องเกือบอิ่มกันหมดแล้วนะก็ไปนั่งชันที่บ้านนั้นบ้านนั้นก็ถามว่าโอเตรียมอาหารไว้เต็มไปหมดเลยเสร็จ น, นี่มนชั้นถ้าคุณเจ้า บ, บอกโอ๊ยเอาแต่ น, น้อยก็พอแล้วเอาแต่ น, น้อยนะก็ตักใส่บาทนะว่าเอาแต่ แต่และองค์เนี่ยเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเองอ่ะโอ้ยอาหารข้าพเจ้ามีเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัวหมดหรอกอาหารมีเยอะแยะเลยไม่ใช่อย่างนั้นอาตามาฉันมาแล้วอา้าวทำไมไปชันที่อื่นมาข้าพเจ้านี้หมดไม่ใช่หรือก็เนี่ยคิดว่าท่านอาหารท่านคงไม่พอกันหรอกก็เลยไปฉันที่อื่นมาก่อนแม่อย่างเงี้ยท่านพราหมเลยประชดใหญ่เลยตักอาหารเต็มบาตรถวายให้ไปหมดเลยเสร็จแล้วก็กเสียใจบอกโอยไม่น่าทําอย่างนี้เลยเนี่ยนะไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ย มันสบายใจเลยตักอาหารใส่บาตรประชดพระอย่างนั้นตักให้องละบาทองละบาทเต็มบาตรไปหมดเลยใส่แล้วก็บอกไม่เสียใจเลยเพราะพระองค์ไม่พูดเรื่องไอ้คาว่าแม้ป็นประชดพระนี่มันบาปอย่างนั้นนะฮะพระองค์ไม่พูดถึงเลยเจตนาใดที่ท่านทําบุญเจตนานั้นมันก็เป็นบุญแล้วอะไรเงี้ยนะท่านน่ะก็ไป น, นึกถึงตัวบุญเอาไว้เนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าฉันอิ่มแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะไปฉันเพนอีกกันไหมอ่างนั้นนะ่ะบอกว่าบางทีเนี่ยนะถ้าสังเกตดูง่ายๆว่า ถ้าหากว่าวันไหนที่เราฉันอิ่มแล้วฉันเพลนแล้วก็มาหิวเลยเนี่ยนะอุ้ยคนมานิมนต์ให้ฉันเนี่ยมันทุกข์ที่สุดเลยว่างั้นแล้วพอพึ่งฉันพึ่งยังไม่ย่อยอิ็มเลยนะจะฉันอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ยน่าอานแต่ละถ้วยนี่ยมันทรมานแท้เนี่ยนะคนที่ไม่เป็นไม่รู้รอกว่างั้นไม่ฉันไม่ได้เหรออย่างเงี้ยนะฝันไม่ดีฉันในฐานข้าวตีนข้าไม่อิ่นะฝันไม่ดี พันสรุปว่าอาหารก็มีประโยชน์สําหรับคนที่หิวเท่านั้นเนี่ยนะพอสำหรับคนอิ่มก็ไม่มีประโยชน์ชั้นใดอุปมาชั้นใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าพระตรรคตเนี่ยทรงอนุ ญ, ญาตเฉพาะครือขัสผู้สําเร็จในผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนเท่านั้นแล้วค่อยให้บวชได้จริงใสกิจที่พึงทําในการบวชนั่นแหละคนเหล่านั้นก็ ได้ทําแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์อะไรด้วยการบวชสําหรับคนเหล่านั้นอีกเล่ามีประโยชน์อะไรในการบวชใช่ไหมถ้าบรรลุอยู่แล้วเนี่ยก็คำสอนทั้งหมดพระพุทธเจากก้าสอนให้บรรลุมรรคผลถ้าบรรลุมรรคผลอยู่แล้วมาบวชทําไมขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งบคุคคลเหล่าใดเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวการที่พระพระเนร เ, เนี่ยบวชเข้ามาแล้วศึกในตอนท้ายเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นยังทําคนที่ไม่อาจช่างห้าอย่าง แห่งพระศาสนาของพระชินวรวุทธเจ้าให้ปรากฏได้กล่าวว่าช่วยเปิดเผยพระคุณของพระศาสนาให้เห็นด้วยนะการที่เขาศึกไม่ได้เลวร้ายต่อพระศาสนาแต่เป็นความดีงามแท้จริงของพระศาสนาต่างหากทาพระศาสนาให้ดูเด่นด้วยซ้ําไปไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับพระศาสนาการที่มีพระเนนศึกมาบอกทําไมนะพระศาสนาดีขึ้นแต่คนที่ศึกนี่หมาเสียคนเลยนะ เขาอกว่าคนห้าประการอะไรบ้างที่ปรากฏแก่พระศาสนาเมื่อมีบุคคลสึงษาลาเพศเนี่ย น, นะอันดับแรกทำพระศาสนาที่เป็นภูมิอันยิ่งใหญ่ให้ปรากฏสองทำความที่พระศาสนาเป็นของปราศจากมนทินคือความเศร้ามองให้ปรากฏประกาศ ความที่พระศาสนาอันพวกคนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมได้ให้ปรากฏว่าคนชั่วไม่อยู่ในศาสนาหรอกอ น, นะประกาศทำประกาศความที่พระศาสนาเป็นของที่แทงตลอดได้ยาก น, นะเป็นเรื่องที่ยากลึกซึ้งจริงให้ปรากฏแล้วก็สุดท้ายเป็นการประกาศว่าพระศาสนาอันบุคคลรักษาได้ด้วยการสังวร น, น, นะมีสังวรด้วยศีลเป็นต้นให้ปรากฏ ด้วยเหตุผลห้าประการลำดับแรกข้อแรกก่อนบอกว่าที่ชื่อว่าเมื่อมีบุคคลเสคาราเพศออกไปย่อมทำความที่พระศาสนาเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่ให้ปรากฏนี้เป็นอย่างไรขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้ไร้ทรัพย์คนจนเหนั้นเถอะ เกิดในชาติต่ำสามตระกูลจันทามเป็นต้นเนี่ยนะหาข้อดีพิเศษไม่ได้เลยทั้งโดยรูปร่างผิวพรรณศิลปะวิทยาทานะความรู้ ว, วิญญธณคุณวุฒิไม่มีสักอย่างเนี่ยนะความรู้ก็เสื่อมปปะว่างงเขาเบาปัญญาเต็มทีได้รับราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ย่อมตกไปนะบริหารสำเร็จไม่ราชสมบัติเนี่ยนะ เลิกร้างไปเสื่อมไปจากอิสริยอลต่อการไม่นานเลยทีเดียวย่อมไม่อาจจะทรงอิสริยอลเอาไว้ได้ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะอิสราเอลอำนาจแข่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเป็นภูมิที่ยิ่งใหญ่ฉันใดขอถวายพระพรบุคคลเราใดเหล่าหนึง่งซึ่งหาข้อดีพิเศษไม่ได้ไม่ได้ทําบุญเอาไว้ก่อนแล้วก็ มีแต่ความโง่เขลาเนี่ยนะมีแต่ความเสื่อมพอบวชเข้ามาในศ า, าสนาของพระชินวรพุฒิเจ้าบุคคลเหล่านั้นเมื่อไม่สามารถจะทรงการบวชที่ประเสริฐสุดเอาไว้ได้ก็ย่อมตกไปเนี่ยนะแปลว่าถ้าไม่ดีจริงก็บวชอยู่ต่อไม่ได้หมายคือว่าบวชแล้วปฏิบัตินะถ้าหากว่าบวชแล้วคือคือท่านในในศัพ์สมัยสังคมที่มีแต่คนดีหมดเนี่ยนะสมัยสมัยที่พระพิสุโดยมากประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นอนะ่ะ ในยุคอย่างนั้นเนี่ยถือว่าใครที่สุดไปเนี่ยเสียคนเล ย, ยนะถือว่าเสียคนเลยเหมือนกันอย่างว่าอะไรนะปกครองราชสมบัติแล้วรักษาราชสมบัติไว้ไม่ได้นี่ถือว่าเป็นความโง่เขลาของของผู้บริหารนัะย่อมตกไปเลิกกลางไปเสื่อมไปจากพระาศาสนาของพระชินวรวุฒธเจ้าในที่สุดก็ต้องเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวต่อการไม่นานเลยย่อมไม่อาจที่ ย่อมไม่อาจที่จะทรงพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าเอาไว้ได้เพราะเหตุไรเพราะภูมิคือพระศาสนาของพระชินวรพุฒิเจ้านั้นเป็นของยิ่งใหญ่ฉันนั้นเหมือนกันนะเป็นของที่ยิ่งใหญ่มาก น, นะสาหรับคนที่ฉลาดมีสติปัญญาเท่านั้นจึงจะบริหารบริหารอะไรนะบริหารราชสมบัติได้ฉันใดผู้ที่มีสติมีปัญญามีความรู้มีความเฉลียวฉลาดเท่านั้นจึงจะ รักษาศิกขาสามเอาไว้ได้ฉันนั้นเนี่ยนะมันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีสติมีปัญญาจึงจะบริหารอธิศีลให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีสติมีปัญญาจึงบริหารอธิจิตศิกขาจะต้องเป็นคนที่ฉลาดมากจึงจะบริหารอาธิปัญญาศิกขาต้องเป็นคนเก่งมากเลยนะที่จะบริหารสติประธานให้ไปรอดนะต้องเป็นคนที่ฉลาดมากจึงจะบริหารสัมมประธานบริหารอิธิบดีอินทรีย์พละโพชง องค์มักทั้งหลายเราว่ารักษาอริยทรัพย์ให้เป็นไปได้ต้องเป็นคนเก่งคนโง่คนเกลาไม่สามารถจะบริหารอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปได้พันการที่เขาบวชแล้วเขาศึกออกไปนั้นถ้าบอกว่าโอวสาศาสนาเนี่ยทรัพย์ของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่จริงคนโง่กเกลางมงายทั้งหลายดูแลอริยทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ในที่สุดก็จําต้องตกไปอันนี้ข้อแรกว่าพระศาสนานั้นช่างเป็นของที่ยิ่งใหญ่แท้